เรื่องทรงเปรียบเทียบความเพียรกับสายพินพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระโสนะโกริวิสสะผู้นั่งเฝ้าอยู่ณนะที่สมควรดังนี้ว่าโสนะเอลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้มีความคิดดังนี้ว่าในบรรดาระสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารบความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเรา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 พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสนะเธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไรเมื่อครั้งที่เธออยู่กรองเรือนนั้นเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพินไม่ใช่หรือท่านพระโสนะกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสนะเธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไร เวลาสายพินของเธอตึงเกินไปพินของเธอมีเสียงใช้การได้หรือท่านพระโสนะกราบถูนว่าใช้การไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัส ถ, ถามต่อว่าโสนะเธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไรเวลาสายพินของเธอหย่อนเกินไป พินของเธอมีเสียงใช้การได้หรือท่านพระโสนะกราบถูนว่าใช้การไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่าโสนะเธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไรเวลาสายพินของเธอไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปขึงอยู่ในระดับที่พอเหมาะ พินของเธอมีเสียงใช้การได้หรือท่านพระโสนะกราบถูลว่าใช้การได้พระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโสนะเช่นเดียวกันความเพียรที่ปรารบอย่างยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ฉะนั้นเธอจงตั้งความเพียรให้พอดีจงปรับอินทรีย์ให้เสมอกันจงถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นท่านพระโสณะกราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคครั้นทรงสอนท่านพระโสณนะด้วยพระโอวาทข้อนี้แล้ว ทรงหายไปจากป่าศีตะวันต่อหน้าท่านพระโสนะมาปรากฏพระองค์ที่ภูเขาคิชกูดเหมือนคนมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้น